พระธรรมเทศนาแผ่นที่แปดสิบเก้าลำดับที่สิบเจ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามีชื่อเรื่องว่าสะสมบุญให้โชเฟอร์นั่งประจำที่นะลูกลานนะ หลวงพ่อคงจะพูดอะไรให้ฟังไม่มากวันนี้เพราะมันดึกแล้วหลวงพ่อก็คิดถึงวัดนะหลวงพ่อนี้จากวัดตั้งแต่วันที่25นะลูกหลานถ้าใครติดตามเฟซคงจะรู้นะหลวงพ่อลงไปกรุงเทพตั้งแต่วันที่25่ฉันจังหันที่สวนแสงธรรมวันที่26แล้บกและฉันจังหันอยู่ที่จิตโฆษนาวันที่17 แล้วก็ไปฉันอยู่ที่สวนแสงธรรมหาทุนให้โคโลราโดอีกวันที่18วันที่28และก็กลับขึ้นมามาพักที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนวันที่28ปออกจากอำเภอเพนก็มานีนน่ยยังไม่ถึงวัดนะั้นลูกหลานนะเพราะนั้นลูกพ่อจะคิดถึงวัดนะพร้อมแล้วยังจะมีการกล่าว อาราธนาไหยเอาเริ่มเลยเลยนะอาราธนาว่าพร้อมๆกันเลยนะลูกหลานหลวงพ่อไปเห็นอยู่อินโดนีเซียนะหลวงพ่อไปอินโดนีเซียเขาอาราธนาศิลป์เขาก็ว่าพร้อมกันอาราธนาเทพเขาก็ว่าพร้อมกันอาราธนาปลิตเขาก็ว่าพร้อมกันเออสมั่นตาเขาก็ว่าพร้อมกันผลที่สุดเออเขาก็ต้องค่อยไผ่อนไป พอมาวบาไร่ทุกคนอันนี่ของเมืองไทยของฮ้องนับถือพุทธศาสนามาตั้งน้มนั่นบาดฮ่าสอลธานาเทศใ่เลียวหากันโลกเลกโลกเละกันเอไ <c oughs> จ๊ิมมีจะหเป็นใครเป็นผู้เบาหน่นไปหาผู้นั่งผู้ใดเพราะนั่นต้องบอกผมอมเอาพอผมพ้องกันบอกพิดบอกถือ บ, กก <c oughs> บอกว่ากันละเมาโลดวัน อ, อยู่ในความสงบนะคณับนักขาว่ายญาติโยมลูกหลานไขมีโทรศัพท์ปิดไว้ก่อนถ้าว่าโทรศัพท์ดังขึ้นโดยบังเอิญอย่ามาคุยกันตรงนี้ให้ไปคุยกันที่อื่นรีบออกไปเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงรับโทรศัพท์เป็นตรงที่ฟังพระธรรมเทศนาหลวงพ่อมีสิทธิ์ที่จะพูดจะกล่าวเพราะเหตุไรเพราะพวกท่านทั้งหลาย ในกล่าวอรัธนาผมมาเจโลกาให้หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อจะต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่แสดงธรรมไม่ใช่เป็นสถานที่พุกพ่านวุ่นวายเป็นสถานที่ฟังถ้าใครไม่อยากจะฟังออกไปเพราะวัดภูทองเขาหกกว้างขวาง ไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าใครต้องการฟังหลวงพ่อจะอ้างกล่าวอะไรให้ทูกหลานคณะทรไทาญาติโยมได้ฟังผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความ ส, มสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟัง ก็จะได้รับความสงบได้รับความพ่องใสในการได้ยินได้ฟังฟังอัดฟังธรรมฟังหลักเหตุผลโซ ส, ส, สังระสเตปัญญาผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาถ้าหากว่าไม่ตั้งใจฟังจะไม่เกิดไม่ได้ปัญญาเพราะเหไรเพราะไม่ได้ใส่ใจฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังไปอย่าง้งฟังไปเท่าไหร่กันนะั่นะ ออหูกระทะหูกระเช้าหูมอกขางถึงจะมาตั้งอยู่ใกล้ๆแตไม่ได้ยินไม่เข้าใจเพราะเหตุไรเพราะหูไม่ใส่ใจหูไม่ได้ฟังหูไม่ได้สนใจธรรมะสุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไขา้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน และก็ภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วเรานำมาพิจารณาทางปัญญาวิปัสสนาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะว่าจิตผ่านความสงบมาถ้าหากว่าจิตของเราปุ่งฟุ้งซ่านเราจะพิจารณาก็ได้ในระดับหนึ่งสุตตมะยะปัญญาก็ดี จินตามะยะปัญญาพอดีเป็นปัญญาทางโลกแต่ภาวนามยะปัญญาเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้นั่งภาวนาจิตพระทัยใจของพระองค์รวมสงบในสะก่อน จ, ก น, นจากนั้นจึงนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาเดินปัญญาครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกัน ก่อนที่จะตัดกิเลสภายในใจขององค์ท่านได้ทุกท่านทุกท่านท่านไม่เคยปราศจากสมาธิถ้าจิตใจเป็นสมาธิจิตใจแน่วแน่จิตใจนิ่งแล้วก็นำมาจิตใจผ่านความสงบแล้วนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้วิ้ยินได้ฟังเป็นเบื้องต้นออถ้ า, าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังจะรู้จักได้ยังไง การที่จะทําสมาธิหรือการให้ทานยังไงจึงจะถูกต้องให้รักสินรักษาศินยังไงจึงจะถูกต้องการภาวนาทําจิตใจยังไงจึงจะถูกต้องถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังอย่าหวังเลยว่าจะรู้ในเรื่องนั้นๆนดาเพราะธรรมะเป็นของที่ลึกซึ้งเป็นของที่ละเอียดอ่อนนะขันตธาญาติโยมเพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆองค์ ไม่ใช่จะได้ยินจากหลวงพ่อองค์เดียวนะธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์บางทคนก็รังเนื้อชอบรางปลาอย่างที่โบราณเขาเคยพูดแต่บางองค์เทศนาว่ากเมื่อแตกฉั้นเป็นพริ้วไปแต่องค์เดียวพูดสั้นๆพูดน้อยๆแต่ศรัทธาญาติโยมเข้าใจ เ, เข้าใจในการฟังในองค์นั้นอันนั้นก็เกิดประโยชน์ แต่จะพูดทั้งวันทั้งคืนก็เถอะแต่ฟังไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เข้าใจอันนั้นก็ฟังไปแล้วก็ว่สู้พูดคำเดียวไม่ได้พูดคำเดียวกินใจถึงใจเป็นที่พอใจอันนั้นแปลว่าเลิศประเสริฐนะในการฟังเพราะนั้นการฟังเราก็ต้องก่อนที่จะถึงจุดใดจุดหนึ่งเราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ถ้าหลวงพ่อพูดองค์อื่นขึ้นมาพูดอีกแสดงธรรมต่ออีกพวกเราก็ฟังไปอีกน่แหละอันนี้พอสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะคณะััศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อคงจะไม่แสดงอะไรมากมายเพราะวันมันดึกพอสมควรแล้วน่แต่ถ้าหาว่าไม่มีการแสดงธรรมใช่เลยพอสวดมนต์เสร็จแล้วจบไปเลยมันก็ขาดเหมือนกันนะมันขาดไปจุดหนึ่ง คือขาดรูปแายการแสดงความคิดเห็นมันคล้ายๆว่า ง, งานมันไม่สมบูรณ์ถ้าว่ามีการแสดงธรรมแสดงความคิดเห็ น, น, นให้พวกเราพระนรทธาญาติโยมได้ฟังก็เป็นเพิ่มเติ ม, ตมสติปัญญาของพวกเราส่วนหนึ่งเพราะนั้นจะมีการแสดงธรรมเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละคราวเมื่อมีงานอย่างนี้นะ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 อปมาเดนะซัมปาเดท่าตีติวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งพวกคณะทายาทโยมเจ้าภาพโดยเฉพาะยังยิ่งเจ้าอาวาสพร้อมกับคณะกรรมการของวัดได้จัดงานครบรอบวันคล้ายวันเกิดนะไม่ใช่วันบรณาภาพนะคณะทายาจโจิโยมเป็นคล้ายวันเกิดถ้าวันบรณาภาพก็คงจะเป็นเดือนพฤษภานะ ก็อรอบวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่คูนสุเมโธและก็พร้อมกันก็ทำบุญประทายข้าวเปลือกและบุญรวมญาติณวัดป่าภูทองบ้านภูทองตบนบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีอันนี้ก็คือวันนี้ที่มีมีขึ้นคณาะ ท, ะทายาตโยมทุกหม่เหลาก็ได้หลั่งไหลมา พระสงฆ์ก็ฟังเมื่อประกาศเมื่อกี้นี่ก่อนร้อยกว่ารูปเกือบสองร้อยรูปสองร้อยรูปพระขานาดนี้ไม่ใช่หารวบรวมกันได้ไง่ายๆพี่น้องประชาชนจัตธายญาติโยมก็ล้นหลามสรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายมาที่นี่มาเพื่ออะไรไม่มีการร้องรำทำเพลงไม่มีดนตรงดนตรีงลงมาเรามาเพื่อเสาะแสวงหาบุญกุศล เข้าสู่จิตใจของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าสุขโขปุญจะสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เมื่อเราสั่งสมบุญแต่ละเล็กแต่ละน้อยเหมือนกับเราเมีภาชนะเปิดภาชนะหงายภาชนะฝนตกมาในทิศ ท, ทั้งสี่ตกแต่ละวันแต่ละครั้งนานๆตกแต่เราเปิดฝาเอาไว้ น้ำขดหยกลนลงทีละหยดทีละหยาดก็เต็มโอง่งเต็มตุ่มขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้สนใจความปากมันลงพื้นดินเอาคนมันขึ้นฟ้าฝนตกขนาดไหนมันก็ไม่เข้าโ อ, อ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราฟังไฝในการกุศลในในการบุญการกุศลใยในการได้ยินได้ฟังถ้าพวกเรา ก็เหมือนกับปาดเปิดเปิดปากโอ่งเอาไว้ได้ยินครั้งนั้นบงังได้ยินครั้งนี้บ้ังเก็บพรอมหอมรอมริบเรื่องบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราวางบ้างแต่ละครั้งเราไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาท ม, มีแต่สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็เต็มตื่นด้วยบุญกุศลแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจไม่เชื่ออีกต่างหากทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่ว นรกสวรรค์ไม่เชื่ออีกตายแล้วศูน์อีกต่างหากถ้าอย่างนั้นขึ้นมาเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่กวนเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจเราไม่ได้ เ, เพราะเราไม่เชื่อในจิตใจถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วแปลว่าผู้ไม่สนใจในไฝธรรมะไม่สนใจในบุญกุศลเหมือนกับตร่มแล้โอบความความปากลงพื้นดิน เอาก้นขึ้นฟ้าฝนตกมาทางไหนมันก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ใส่ใจสนใจนี้พวกเราท่านทั้งหลายถึงยังไงก็ได้มาสู่วัดวาศาสนาอย่างวันนี้แหละพวกเราก็ใส่ใจสนใจเราเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเชื่อในบุญเชื่อในกุศลเชื่อในการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเชื่อในนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีเอ่อ ถ้าหาว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายบุญกุศลนี่แหละจะเป็นเพื่อนสองของเราเมื่อเราออกจากโลกนี้แล้วกับบาปอกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราเมื่อเราออกจากโลกนี้เพราะนั้นใจของเรานี่รับทั้งบุญรับทั้งบาปถ้าใครทำบุญบุญก็เข้าสู่จิตใจของคนคนนั้นท่านผู้นั้น ถ้าใครทำบาปบาปก็เข้าสู่จิตใจของคนคนค น, น, คนั้นอีกเหมือนกันเหมือนอยู่ในโลกโลกใบนี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาใหญ่ขึ้นมาเราเรียนหนังสือเราสอบแสวงหาทรัพย์เราก็เป็นผู้มีทรัพย์มีเกียรติมีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะเราทำความดีแต่ถ้าว่าพวกเราใหญ่ขึ้นมาแล้วทาแต่กรรมชั่วทาแต่ความชั่ว มีแต่โคตมีแต่โก ม, โ ม, มีแต่ขโมยมีแต่ฆ่าไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจคนคนนั้นจะเจริญรุ่งเรืองอในบุญในกุศลในชุมชนสังคมพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันคนคนนั้นมีแต่เข้าคุกเข้าตารางเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกผลใี่สุดก็เลยตายใ น, ในคุกในตารางไปเลยเพื่ะไรเขาเสาะแสวงหาแต่ความชั่วเข้าสู่จิตใจของเขา ตาผู้ใดสาะแสวงหาคุณงามความดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกอยู่ในชุมชนหมู่ญาติก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้าทางว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาใน พ, พ, พุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเก็บแกรกผสมน้อยถ้าพวกราทําอย่างนั้นได้นั่นแหละบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจ การที่เก็บตั้งสมบุญนั่นคืออะไรในหลักของพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าทานศีลภาวนาแต่พวกเราเรื่องทานหลวงพ่อก็ได้จะไม่ประยายห้มากเพราะพวกเราก็ทำบุญทําทานจิตใจเป็นกุศลอยู่แล้วเป็นพื้นฐานการทำบุญมีมากมายลหลายหลายอย่างแล้วก็ดูแลบิดามารดาสงเคราะห์ญาติโกโหติกา การล้วนแล้วจะเป็นบุญกุศลอันนี้ก็คือฐานศีลก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยอย่างพวกเรามาวันนี้ก็อย่างน้อยก็ศีลห้าถ้ามากกว่านั้นก็คือบวชชีพราหมณ์ก็รักษาศีลอุโบสถศีลเป็นศีลอพรร ม, มัจหริยาสักวันหนึ่งกับคืนหนึ่งการล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีเรื่องศีลห้าเราไม่คิดค่า เราไม่คิดฆ่าคนอื่นเราไม่คิดขโมยคนอื่นเราขอรบประชิ์สามีภรรยาของคนอื่นเราไม่โกหกคนอื่นเราไม่ดื่มสุราเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าว่าพวกเราดื่มสุราเออเ ม, ม ล, ลัยหรือคัญชายาฝิ่นเฮโลอินจะเป็นชื่ออะไรก็าตามดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วทำให้พวกเราขาดสติอันนั้นแหละแปลว่า เป็นยาที่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราขาดสตินะั่นแหะจะมีชื่อและไม่มีชื่อก็าตามอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ห้ามในหลักของพุทธศาสนาค่อยๆพ่อว่าเมื่อเราขาดสติแล้วถึงจะมียศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงโด่งดังมาก่อนก็าตามมีเงินทรัพย์สมบัติเป็นที่ยอมรับในชุมชนสังคมมาก่อนก็าตามแต่คนนั้นเป็นบ้าพ่อเป็นบ้าและขาดสติ เมื่อคนขาดจติแล้วหมดคุณค่าหมดคุณภาพเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงจะหมดคุณภาพหมดคุณค่าชั่วข่าวก็ไม่น่าจะให้เกิดกับตัวของเราเพราะอะไรเพราะดื่มโซดาเข้าไปแล้วขาดจิตในช่วงนั้นคนที่ขาดจิตพร้อมที่จะทำความชั่วในทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะลาลาประรวกในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ จะโผหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะคนขาดสติขาดการยับยั้งเพราะนั้นเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าในี่ยศีลคุ้มของโลกอันนี้พวกเราควรจะศึกษาเนีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ส่วนตัวแท้ๆนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นว่าเรื่องสมาธิภาวนาเนอพวกเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเรื่องของพระที่อยู่ในปานลงพงไปเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ แต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะคณะศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมในครั้งพระพุทธในครั้งพระพุทธเจ้าไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุองค์แสดงทําให้่ฟังจากนั้นศรัทธาญาติโยมก็ติดตามในธทำคําสอนของพุทธรได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นมากมากกว่ามากกว่าภิกษุในพระพุทธศาสนาอีกเรื่องพระโสดาบันของโยมแต่ว่าเรื่องพระรหัน์ที่ทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอานวักกิเลส อันนั้นพระสงฆ์จะมากกว่าเพราะพระสงฆ์มีเวลามากาแล้วก็เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติชําระกายวาจาของชําระใจของพระองค์แต่ละพระองค์จนได้ดตัดจนได้สําเร็จมากสำเร็จผลมากต่อมากในครั้งในครั้งพุทธกาลแต่ถึงยังไงก็ตามก่อนที่จะได้สําเร็จมรรคผลไปถึงนู้นท่านก่อนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องศีลสมาธิ เรื่องทานเรื่องศีลเพื่อกูนหนุนกันเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้เราจะต้องการแก่นเราจะเอาแก่นมาปลูกมันคงจะไม่ได้เอาแก่นมันมาปลูกเป็นต้นมันก็ต้องเอ า, มาเมล็ดขึ้นมาพอมาเมล็ดขึ้นมาก็ต้องมีเปลือกมีกะพีแล้วก็มันก็สร้างแก่นขึ้นมานี้ก็เหมือนการพวกเราเป็นครวาทญาติโยมอันดับแรกก็คือเป็นผู้มีเสียสละในการทําบุญทําทานทําบุญ มีหลายหลายอย่างในการทําบุญอามิสสถานคือให้อามิตสแล้วอภัยทานคือการให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ชาติวิทยาทานก็คือการให้ความรู้กับคณะคู่ขนทั้งหลายเหมือนกับครูบาอาจารย์สอนนักเรียนนักสอนให้คนมีความรู้ความฉลาดอย่างนั้นแหละเรียกว่าวิทยาทานแล้วก็ธรรมทานก็อย่างที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว แน้นําคําสอนของพระพุทธศาสนาให้พวกเราเข้าใจในอัตในธรรมอันนี้ระหวัติธรรมมาทานี่แหละอันนี้คือเปลือกนะส่วนกับพีก็คือศีลอย่างที่หลวงพอ่ออธิบายให้ฟังเรื่องสมาธิเรื่องแก่นก็คือปัญญาสมาธิปัญญานี่คือแก่นแคนแก่นของต้นไม้แต่พวกเราต้องการแก่นแต่มันก็ต้องอาศัยเปลือกกับพีไปเรื่อยๆถ้าคนกิดใจ ไม่มีไม่มีความอบอ้อมอารีจิตใจมีแต่พยาบาทอาฆาตจองเวรที่ตี่ตีีทีเนีต ย, ะะะะรรไไยตีตีตรตีตีตีตีตีตีตีตแลีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีติตีตีต้ตเตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตี้ีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตเตี า, าีตีตีตี้าตีตยตีตีตีไปตีตีตีตีตีตีตีตีีตีตีตีตีตีีตีตีตีตีตีตีตี า, าีตี พวกเราก็อย่าหวังเลยอีกเหมือนกันจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้เพราะฉนั้นเรื่องทานก็ดีศีลก็ดีมันเกี่ยวเนื่องกันนะคณ า, ศ า, ศ า, า, าจารย์ญาติโยมหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับต้นไม้มีทั้งเปลือกมีทั้งกับผีมันจึงสร้างแก่นขึ้นมาได้นี่แหละให้พวกเราทําไปอย่างคณาจารยาญาติโยมทำอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาเวลา เราก็ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจมีให้ทานบัางรักษาศีลมังภาวนาเรื่องภาวนาเนี่เป็นหน้าที่ของพวกเรา ท, ทุกทุกท่านต้องหาโอกาสนะคณันศรัทธา ญ, ญาติโยมเมื่อวันไหนก็าตามเราไม่ได้ทำหน้าที่การงานเราอยู่ตามลำพังหรือว่าวันไหนว่างว่างวันไหนเป็นวันพระวันไหนเป็นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันไหนก็าตามที่เราอยู่ตามลาพังอยู่ว่างว่าง แล้วก็กราบพระที่นอนของเราแล้วกราบพระในห้องพระของเราจากนั้นเราครพอไหว้พระเสร็จแล้วก็กล่าวคําสรรเสริญคือบูชาพระพุทธเจ้าอ拉หังสัมมาสัมพุทธโธข้าพเจ้าขอกราบพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าสว้าข้าโตข้าพเจ้าขอกราบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสุปฏิปันโนข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จากนั้น น, นโมตัสสะพระคาวโตข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวนโมสามจ อ, อจากนั้นเราจะว่าอิติปิโสสวะข้าขโตสุปฏิปโนเออหรือว่ากาเยเยยะวาจา ก, ก้สุดแท้แต่ไอ้พวกเราจะทําวัดสวดมนต์ได้จะสั้นหรือพิจารณาหรือจะวัดเออมิตรอาลาหังอย่างเดียวก็ได้วุณณโมยอย่างเดียวก็ได้จากนั้นปกติ พ่อกราบเรานั่งจะนั่งเราจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งคัดสมาธิก็ได้แล้วจะนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ตามไม่จริงท่านให้นั่งคัดสมาธิเพราะาร่างกายของเราจะได้ตรงทรงตัวไม่เอียงซ้ายเอียงขวาอันนี้คือวิธีการนั่งภาวนาจากนั้นก็ปนมมือขึ้นแล้ววางอกในวิธีการทำนะวิธีการนั่งภาวนาจากนั้นปนมมือขึ้นแล้ววางอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าเพราะเหตุไร จ, กกจงไหวจงพระพุทธเจ้าเพราะที่เรานั่งสมาธิเราปฏิบัตินี่เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราไปศึกษาในศาสนาอื่นไม่มีท่านไม่ได้สอนอย่างนี้เขาสอนไปนอีกอย่างอื่นคิดอย่างอื่นทําอย่างอื่นแสดงอากกัปปิยาอย่างอื่นแต่พุทธะนี่ยท่านให้ทําอย่างนี้สอนอย่างนี้เพราะน้นเราเจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าอะแล้วถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็เอมมือลง เผลมือลงนั่งขัดสมาธิอขาขวาทับขาซ้ายขมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกับริกรรมตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นของเราหลวงปู่มั่นคือต้นตระกูลของพระกรรมฐานในยุคนี้แล้วหลวงปู่มั่นก็เคยมาอยู่ เ, เขตเอำเภอบ้านผือพวกเราไม่คาดคิดเลยนะมาจำพัรสาที่บ้านค อ, อตั้งเจ็ดสิบปดสิบปีให้หลังท่านมาได้อย่างไร แสดงว่าท่านคงจะเป็นเห็นอุปนิสัยของคณะสัตยาญาติโยมในถิ่นของเราท่านจึงมาปลูกฝังอุปนิสัยเอาไว้นี่ยพวกเราถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเนีเป็นญาติโกโหติกาของหลวงปู่มั่นที่ท่านในมาเมตตาในเขตอำเภอบ้านผือของเรานูท่านอยู่ท่านจังหวัดอุบลราชธานีไกลขนาดไหนท่านจึงด่นด้านมามาปลูกฝังอุปนิสัยเอาไว้ พวกเราก็ได้จิตเออหลวงปู่มั่นเคยมาอำเภอบ้านผือของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเหลียก็คงมีอุปนิ ส, สัยหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรอันนี้ก็คือพวกเราก็ต้องศึกษาละท่านสุตตะมยะปัญญาก็ต้องศึกษาว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไงท่านให้ภาวนาอย่างไงหลวงปู่มั่นถอดสอนให้ภาวนาเนอะท่านหลวงปู่เทศท่านสอนหลวงตามหาบวัวสอนหลวงปู่เพียรหลวงปู่บุญมี หลวงพ่อคูลของเราเ อ, อครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านสอนเป็นทอดๆกันมานสายหลวงปู่มันให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้เสมือนยืนอยู่ข้างประตูท่านว่านะครูบาอาจารย์ท่านบอกเรายืนอยู่ข้างประตูคนเข้ามาในบ้านอาคาร เราก็รู้ว่าคนเข้ามาในอาคารแต่อย่าไปตามคนเข้าไปออแล้วก็เมื่อคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปแต่เราจะไปตามคนออกไปให้รู้ว่าคนเข้าคนออกคนเข้าคนออก เ, ออเท่านี้แหละการกำหนดลมเพียงแค่นี้ออคือเวลาเวลาลมเข้าไปในปอดของเราเออบางคนก็บางท่านเขาบอยบหน อ, เ, อ, อเข้าไป พองหนอเวลาลมเข้าไปเวลาหายใจออกมาก็ยกหนอ อ, อย่างนี้ก็มีไอ้ข้อจูแต่หลวงปู่มั่นทว่าไม่ต้องเข้าไปถึงถึงท้องเพียงแต่เพียงแต่รู้ว่าลมผ่านเข้าเพียงแต่รู้ว่าลมผ่านออกหายใจเข้าพุทแล้วก็หายออกใจออกโท เ, เท่านี้แหละ ว, วิธีกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้เผลอ ให้ตั้งจิตให้แน่วแน่ในกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นนี่แหละถ้าเาว่าพวกเราทำอย่างนี้นะมันเผลอมันยังเผลอออกยังลดออกโยกนะให้บริกรรมทีๆหลวงปู่ท่านว่านะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าบริกรรมทีๆให้บริกรรมสาพรับอยู่ที่ใจของเราใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรให้รัวเลยนะเนเหมือนกับยิงปืนก่อนแล้วแต่นั้นนะพทพทโทพทโพทโพทโธพทโ อย่าให้มันมีช่องว่างในใจของเราให้มีพุทโธทีเบอันนี้ก็คือภาวนาเหมือนกันแต่อย่าไปแข็งอย่าไปกลึงอย่าไปเกรงจนปวดศีรษะก็ไม่ได้จะถูกแต่พุทโธพุทโธเราไม่ต้องผลบ่นออกปากนะไข่ข้าวออกใจของเราบริกรรมพุทโธอันนี้ก็คืออันหนึ่งแต่หลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อว่าถ้าอยากจะรู้ว่าใจของเรามันคิดปุ่งพุ่งออกในขณะไหน อันนั้นให้พวกเรานับหลวงพ่อบอกว่าให้นับนะืลหลุกลนะเนืหายจใจเข้านับหนึ่งให้จะออกนับสองให้จะเข้านับสามสี่ห้าหก็หกดไปถึงร้อยแต่ถ้ามันเผลอจุดไหนอย่าไปนับต่อให้กลับมานึงใหม่เอมันเผลอมันเผลอยังไงเวลาหายจใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ขีคู่ ถ้ามันเผลอมันจะคู่นะั่นมันจะหายใจเข้าคู่หายใจออกขี้นะัอันนี้มันเผลอแหละพอมันเผลอเขาก็มากลับมานับหนึ่งใหม่แต่ถ้ามันเผลอบ่อยๆไม่เป็นผลดีให้เรารู้เลยเลยว่าเอ้ใจของเราไม่เป็นสมาธิเสียแล้วต่อไปภายภาคหน้านอ่เรานี่พร้อมที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ง่ายๆพร้อมที่จะเป็นบ้าเป็นบอคิดปุงฟุ้งไปได้ง่ายๆเพราะอะไรมันทําไมขาดสติถึงขนาดนี้เราไม่ควรจะไว้ใจอันนี้ให้พวกเรา ใส่ใจในตัวเองให้มากให้ขึ้นเวลาหายใจเข้าออบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทรหรือว่าให้นับหนึ่งสองสามสี่นแหละถ้าเรานับได้ถึงร้อยไถึงนับเท่าไรก็ถึงร้อย ท, ทุกครั้งรับรองได้เลยว่าไม่อันเซมเออร์แล้วไม่เป็นบ้านแน่เพราะอะไรเพราะสติเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาพุทธหลวงพ่อก็จะบอกว่าคณะทายญาติโยมพระเนนลูกหลานนะ ถ้าว่าพวกเราส่งจิตออกนอกนะส่งจิตนอกใข้คล้ายเกาบอกมันเผลอบ่อยคิดปงฟุ้งไปบ่อยจนเอาไม่อยู่ขาดทุนนะไม่เหมือนคารวาสญาติโยมพ่อค้าวา น, นิชของเขาพ่อค้าวา น, นิชของเขาเถ้าเขาได้ส่งเข้าไปขายต่างประเทศได้งส่งคิดสินค้าไปต่างประเทศส่งรถส่งราส่งอุปกรณ์การไฟฟ้าส่งสิ่งไหนก็ตามไปต่างประเทศเขาได้กาไร แต่พวกเรามาปฏิบัติรร ม, มาส่งจิตส่งใจไม่มีสติอยู่กับตัวเองอันนั้นขาดทุนปลปีนะลูกหลานนะ เ, เป็นคาระวะเนี่ยเขารวยเขาส่งส่งของสินค้าออกต่างประเทศแต่เราส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกเนี่ยขาดทุนนะ เ, เพราะนั้นให้สำนึกไว้ให้ดีให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สุด เ, เวลากาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกโท ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือให้อยู่ในความรู้สึกหรือให้อยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเราขยับขเยื่อนอย่างไรในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ให้มีความรู้สึกในร่างกายของเราอันนี้คือสติสัมปชัญญะอยู่ในร่างกายไม่เผลอไผลไปที่ไหนในเมื่อจิตของเราอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนะไม่นานใจของเราจะเข้าสู่ความสงบ ความสงบความนี้ก็คือนิ่งจิตใจมันนิ่งพอเนิ่งเป็นหนึ่งที่แรกมันจะเข้าไปแบบวุบว่าบบางคนนะบางท่านบางคนสมาธิจุดนี้ผู้ที่ฝึกหัดใหม่นะไม่ต้องตกใจ เ, เวลาใจจิตใจมันจะร่วมมันจะสงบนะเหมือนกตกเหวตกบ่อ ก, ก็มีวุกวา่าเหมือนความร้อนความความหนาวมาสู่ในตัวของเราก็มี แต่บางครั้งมันเย็นว่าบเข้ามาในตัวของเราเขามีมีมากมายอันนี้คือเบื้องต้นก็ว่าคณิกะสมาธิจิตใจรวมสงบเป็นชั่วขณะหนึ่งคณิกะใช่าประเดี๋ยวประเอาแต่ขนาดนั้นก็เถอะใจของเรายังไม่ลืมนะขณะแตทาญาิโยมลูกหลานนะเพียงใจสงบเพียงชั่วคราวเถอะเอะ๊มันเผล อ, อประิษฐ์ใจของเราเป็นไงเมื่อกี้นี่ทําไมมันมีความสุขมีความสุขเย็นเลยต่อไปอยากให้มันเป็นอีก มันจะไม่เป็นนะ เ, เพราะเหตุไรเพราะเราตั้งความอยากเอาไว้เอาเถอะเอเป็นหรือไม่เป็นก็เถอะเราจะกําหนดลมหายใจใเขาจะไม่ให้มันเผลอฮะต่อไปเราจะรู้ได้ว่าวิธีการที่จะทําจิตใจให้สงบนั้นทําอย่างไรอเอเมื่อจิตใจเขาเราสงบครั้งที่หนึ่งยืนยาวนานไปเอจิติของเราดูาจิตสติของเราทันกับความตัวผู้รู้ตัวนึกคิดแั้วนะ มันนึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้สติของหลัาตามท่านดูนอะดูใจของเราใจของเราไม่เผอไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ศาสติใจไม่หิวไม่โหยจิตใจมี ส, สติสัมปชัญญะแต่ไม่ถึงกับสงบรู้อยู่ในตัวของเราอันนี้เราอุปจาระนะนะนะเป็นจิตใจของเราเริ่มเป็นสมาธิแล้วนะคนะณะ ท, ะทา ย, ยาทโยนี่แหละวิธีการเดินสมาธิจากนั้นเมืนะ่อเรามีความกำหนดมีความพยายามอยู่ ไม่ให้มันเผลอไปไหนดูใจของตนเองเจากนั้นใจของเราก็จะรวมเข้าสู่เอเป็นสมาธิจะ่เป็นอัปปันนาสมาธิจิตใจร่วมสงบลงเป็นหนึ่งเอจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตครับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอแต่ไม่รับรู้ทางกายนะตัวนี้นะมันรวมเป็นเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง มมันไม่รับรู้ทางกายเลยมันไม่รับทราบ เ, เสียงจะร้อง้าร้องก็เตยมเสียงพุทธกรรมเสียงคนก็ตามในเมื่อจิตสงบในช่วงนั้นจะไม่รับรู้ทางกายทั้งหมดจิตใจจะเน่ง เ, เป็นเอ ก, กเทศของมันเองจากนั้นจากนั้นพอมันสงบพอเป็นพื้นฐานสงบเต็มที่ของมันแล้วมันก็จะถอนขึ้นมา เ, เมื่อถอนขอึ้มาก็เป็นจิตปกติ เราก็รู้ได้โดยตนเองมไม่ต้องถามใครนะคณะศสัตยญาติโยมเอเม่อกีเนี่จิตใจของเราสงบหรือเปล่านะ่าเไม่ต้องถามมันรู้ด้วยตนเองเอีรู้ด้วยตนเองว่าใจของเราสงบไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมีความสุขจริงสมกับทรรำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวัดนัตถิสันติปรางสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะรู้จะเห็นได้ว่าการบำเพ็ญเรื่องสมาธิ มีความสุขทางด้านจิตใจจริงเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านไปอยู่ตามลาพังอยู่ในป่ารงพงไผ่ท่านพยายามทำจิตใจของท่านให้สงบจิตใจของท่านให้เป็นหนึ่งเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดถ้าเราพวกเราคิดดูสิว่าช่วงไหนที่เราคิดถึงใครก็ตามมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็ตามใจของเราปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาชาวนั้นยาวหวังเลย เราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความทุกข์ในจิตใจอยู่ตลอดเร่าร้อนตลอดเวลาอันนั้นแปลว่าความทุกข์ใจใจที่ปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกมีแต่ความทุกข์แต่จิตใจเข้าสู่ความสงบนั้นนะอ่ะมีทางเดียวเท่านั้นละ่ะมีทางเดียวคือทําจิตใจให้สงบก็คือภาวนาในเมื่อเราจาจิตใจให้สงบภาวนากาหนดลมหายใจเข้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้ว เราจะรู้ได้ว่านี่แหละคือความสงบความสุขที่แท้จริงนาทีสันติจะเกิดขึ้นกับเราเราก็เชื่อมั่นในตัวของเราอีกว่าเออที่ครูบาอาจารย์ที่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตายแล้วเกิดเออตัวนี้จริงๆเพราะเห็นร่างกายมันเป็นส่วนหนึ่งจริงๆจิตใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งจริงจริงเป็นคนละอันกันกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกัน แเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่ากายคือกายใจก็คือใจเราจะเปรียบเทียบหลวงพ่ออะไเปรียบเทียบให้คณะ at, ทถาญาติโยมมัได้เห็นเป็นรูปธรรมรู ป, ปรูปธรรมและนามวิธรรมรูปธรรมคือร่างกายเหมือนกับรถนะทถาญาติโยมลูกหลานนะในเมื่อจิตใจเ ข, <S <S ข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจของความสงบนั้นะเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถเนี่ย มันอาศัยกันรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับถ้าว่าคนไม่ขับรถคันนั้นก็ไปไม่ได้เพราะอะไรร่างกายของมนุษย์ก็เหมือนกันโรคประทับคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่พระพุทธศาสนาประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของโซเฟอร์มากกว่าเรื่องของกายท่านจึงตัดเป็นพุทธภาษิตว่ามโนปุพังขมาธรรมะ มโนเศษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจปร ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเรื่องภาวนาไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่ของครูบาอาจารย์นะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนต้องฝึกฝนเนื่อเมื่อเราฝึกฝนนะั่นะเมื่อทำจิตใจให้สงบเรื่องเราเราได้ภาวนาได้เมื่อภาวนาแล้วนะ่ะถ้าเมื่อเรามีปัญหาเกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดี เ, เข้าไปนอนโรงพยาบาลโอ้ยข่าวนี่ไม่รอดแน่ๆละ่ะขาดต้องตายแน่ๆ เ, เราภาวนาเราก็ไม่วิตต์ไม่กังวลเอาตายก็ตายเกิดมาตายครูบาอาจารย์ใครใครก็ตามเกิดมาในพื้นแผ่นดินในโลกนี้จึงจะยศฐานบรรดาศักดิ์สูงสงขนาดไหนก็เถอะไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยดีพ้นไปได้เรื่องมรณะภยัยข้าพเจ้าเนี่คนหนึ่งเกิดมาแล้วแต่ที่ยังไงข้าพเจ้าจะประกอบคุณงามความดีข้าพเจ้าจะไม่ทํากรรมชั่ว ข้าพเจ้าจะไม่คิดชั่วทำผู้ชั่วพูดชั่วเพราะได้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าอากาศตังตุกตังเสยโยปัชชาตะปฏิตุกกตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําสะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นเราเชื่อในธรรมคําสอนของพุทธะ เราจะไม่ทำเราจะไม่คิดในสิ่งที่มันไม่ดีทำในสิ่งที่มันไม่ดีพูดในสิ่งที่มันไม่ดีข้าพระเจ้าจะทำดีเท่านั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจในเมื่อตั้งใจอย่างนั้นแล้วไปอยู่นักสถานที่ใดอยู่นักสถานที่ใดไปนักสถานที่ใดใจของเราก็ไม่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีธรรมอยู่ในจิตใจโซเฟอร์มีธรรมแต่ร่างกายนี่ทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ เมื่อเราจากไปแล้วเอเมื่อตายไปแล้วร่างกายมันหมดสภาพแล้วโซวเฟอร์ก็ต้องออกจากรถในเมื่อโซเฟอร์ออกจากรถเนี่ยอรถก็ทิ้งแหละเพราะมันมันเก่าละมันไปไม่ได้ละมันใช้ไม่ได้ในเมื่อโซเฟอร์ออกจากรถโซเฟอร์มีทุนไหมเนีโซเฟอร์มีบุญไหมถ้าโซเฟอร์มีบุญ เ, เหมือนกับโซเฟอร์มีเงิน โชเฟอร์มีเงินโซเฟอร์มีแต่เพชรนินจันติม ด, ดาเต็มไปหมดเพราะประโลกภายภาคหน้าประโลกไปเมืองผีนี่ไม่มีคดมีโกงไม่มีขโมยโผลโจรอะ่ะของใครของเราใครไทยใครทําบุญกุศลไว้บุญกุศลนะ่าจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนขโมยกันไม่ได้เรื่องบุญกุศลขอยืมกันก็ไม่ได้เป็นของใครของเราเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจให้โซเฟอร์เป็นผู้มี ในทุนมีเงินถ้าหาว่าโซเฟอร์มีเงินออกจากรถนี่แล้วเงินนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองพาไปเลยนจะไปที่ไหนอไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดอินไ ป, ไปเป็นอิ น, เ ป, นเป็นพรหมไปได้ทางนั้นเพราะอะไรเพราะบุญกุศลพาไปแต่ถ้าว่าคนที่ออกจากร่างนี้แล้วน่ะไม่มีบุญกุศลเพ้อเพยังไปทํากรรมชั่วไว้อีกอไปฆ่าไปคดไปโกงไปอะไรกับเขาอีก พอตายเพราะนั้นบาปอากุศลเป็นเพื่อนสองเข้ามาล็อกตัวเองเล้ท่านไปเธอทํากรรมไม่ดีไปตกนรกก่อนวะเขาก็ผักลงนรกก่อนออกจากนรกขึ้นมาเป็นเกิดไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร่ชาญเป็นช้างม้าบัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วพาไปเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาจึงบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนให้กับพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปทํากรรมที่มันไม่ดี ให้กรรมทำแต่กรรมดีให้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างไปออกจากโลกนี้ไปแต่ออกจากโลกนี้ไปต่างคนต่างไปก็จริงอยู่แต่ไปด้วยความทุกไปด้วยความยากจนด้วยจะไปด้วยความมั่งมีสีสุขอันนี้ขอให้พวกเราตรวจตราดูพวกเราท่านทั้งหลายถ้งว่าพวกเราตรวจตราดูตนเองข้าเปเจ้าเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพกกุธศาสนา ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบศีลพบธรรมข้าพเจ้าไม่เคยข้าพเจ้าไม่ตั้งอยู่ในความประมาทข้าพเจ้าสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอยู่ตลอดข้าพเจ้าไม่ได้ทําสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราให้ตรวจตาดูตนเองถ้าว่าเออข้าพเจ้าที่ทํามาเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปใชแล้วต่อนนี้ไปข้าพเจ้าจะตั้งต้นใหม่ข้าพเจ้าจะประกอบคุณงามความดี ไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลแต่ตามไม่จริงให้ทานเราไม่มีเราก็ไม่ต้องให้ทานเรารักษาศีลก็ได้เรานั่งภาวนาก็ได้ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, ก, ท, กทุกท่านนะที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาจิตว่าสุขโขผลยศบุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้และก็ขยะวยะธรรมมาสังขารา อปมาเดนะซัมปาเดทาติอันนี้ก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ก่อนที่พระพองค์จะปรินิพานในคืนวันเดือนหกเพลนนั้นตอนจวนสว่างพระองค์สั่งเสียภิกษุสงฆ์ที่นั่งพร้อมรอบว่าขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะพวกเธอท่านทั้งหลายเห็นไหมร่างกายของเราแต่ถาโขดจะทิ้งอยู่ในหลอมล่อจะในเร็วเร็ววันนี้ละ่ะ ขยะวยธรรมาสังขาระสังขารคือร่างกายของเราไม่เที่ยงอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทัติท่านทั้งหลายอยาติรงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนก็คือให้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ให้สังสมบูรณ์กุศลเข้าสู่จิตใจให้นั่งภาวนาเจริญเมตตาภาวนาประกอบคุณงามความดีใส่ตนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทและก็ประโยชน์คนอื่น เราช่วยเหลือชุมชนสังคมช่วยเหลือพระพุทธศาสนาช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องพอที่จะช่วยเหลือเขาได้อ น, นั้นก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาททั้งเราทั้งเขาด้วยอันนี้เราหลักคำคำสอนของพุท ธ, ธท่านไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของเราเป็นของออไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันต่างคนก็ต่างจะจากกันไปอยู่แล้วสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะหันหน้าเข้าหากันจากน้นก็เมตตาอารีซึ่งกันและกัน นี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธาจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่ตรัสอะไรอีกเลยนี่แหละเป็นวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ว่าสขยัวยธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติเพรดังนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านได้เกิดมาได้ธธพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับว่าเป็นผู้โชคดีนะพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อ เกิดมาแล้วกัประกอบคุณงามความดี เ, เรื่องเกิดแก่เจ็บตายบางคนก่อนน้อยอกน้อยใจว่าเ อ, อข้าไปเจ้าประกอบคุณงามความดีแต่ทํำไมข้าไปเจ้าจึงได้รับทนทุกทรมานอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดกับข้าไปเจ้าเลยข้าไปเจ้ามีแต่ทำคุณงามความดีแต่เขาคนอื่นเขาทําสิ่งที่มันเลวเลวชั่วๆแต่เขามีแต่เจริญรุง่งเรืองอันนั้นพวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธพระพุทธองค์ท่านบอกว่า หญิงที่เราเกิดมาพบในชาตินี้เราเป็นคนดีเราสํานึกได้เราได้พบพระพุทธศาสนาได้ลบได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในอดีตชาติที่ผ่านมาเราเป็นคนคนเลวยังไงไม่มีใครที่รู้นอกจากพระหารีสาวกหรือ ผ, ผู้ท่านมียานรัตนะท่านจะบอกให้ฟังชาติที่แล้วคุณไปทําอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนี้มานะเพราะนั้น ผลกรรมที่คุณทําน่ยจึงมาเกิดกับคุณในภพนี้ชาตินี้แต่เอาเถอะคนที่เกิดมาภพนี้ชาตินี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะชาติที่แล้วคุณได้ทําบุญทําทานกับพระรหารนะาแต่เอาที่ชาตินี้ออกจากชาตินี้ไปนะคุณต้องระวังให้ดีก็แล้วกันคุณทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลคุณจะเดือดร้อนนะต่อไปเพราะอะไรเพราะกรรมจะให้ผลกรรมชั่วจะให้ผลสําหรับคุณ นี่แหละรักธรรมคาสอนของพุทธะท่านได้ตรัสไว้อย่างนี้อย่างพระโมกขาลาศาสตร์พวกเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าหอกเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่พอได้สุดถูกโจรฆ่าตายในเมืองกาฬศีลาในเขตแขวงกรุงราชคือคนทั้งหลายกระโจนขานกันว่าโอ๊ยทําไมนพระโมกขาลาเป็นคนดีแท้ๆทาไมจึงไป ตายเพราะถูกโจมค่าไม่น่าจะถูกต้องออคนพูดกันไปกราบทูลพระพุทธยาวพระพุทธองค์บอกว่าโมกคลาตายสงควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตชาตินะาการรมอันในหนอพระเจ้าขา่าถึงยมทารุณหนักหนาถึงขนาดนั้นโมกคลาเคยฆ่าพ่อแม่มาในอดีตชาติถ้าว่าโมกคลายังไม่พ้นทุกยังไม่เป็นพระหรหันในชาตินี้โมกคลาคงจะถูกฆ่าไป ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแต่นี้บัตรนี้โมกขลาดได้สําเร็จเป็นพระรหานแล้วออกจากพบนี้ชาตินี้ไปท่านเป็นโอ้โหสีกรรมกรรมคือให้ผลสําเร็จคล้ายๆว่าเอท่านมาถึงฝากฝั่งแม่น้ําฝั่งนี้แหละเออท่านก็นนขึ้นเครื่องบินบึ่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเอพวกหมาทั้งหลายหมาหมาพรานทั้งหลายไล่มาถึงฝั่งไม่รู้จะไปที่ไหนหมดเพราะไปไม่ถึงเออ กรรมไปพันิพาลไม่ได้กรรมมันอยู่ในโลกยโลกวัฏสงสารคือต้องต้องใช้กรรมอยู่ในโลกผลในสุดเมื่อพระโมคคะราะเข้าสูนาน่นิพพานไปแล้วกรรมที่ตามไม่ถึงเป็นโอโหสิกรรมเนี่ยนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาพบในชาตินี้ถึงจะตกทุกข์ได้ยากอย่างไงก็ให้พวกเรานึกถึงกรรมเก่าว่าข้าพเจ้าคงจะได้ทํากรรมเก่ากรรมที่ไม่ดีไว้ในอดีตชาติข้าพเจ้าจึงได้รับสิ่งนี้ เ, เ, เพราะฉะนั้น ยอมรับกรรมที่ตนได้กระทำไว้เมื่อรับเมื่อรู้แล้วว่ากรรมใดก็ตามที่เราทําไม่ดีนี่เรารู้วนยะอย่าทํากรรมต่ออีกสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในเรื่องนั้นๆเพราะการทํากรรมทำได้สามทางในหลักของพุทธศาสนามโนกรรมคิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดพยาวพิษพยาบาทปลองร้ายเขาคิดเห็นผิดอยากทํำนองคลองทำอันนี้เรียกว่ามโนกรรมกายกรรม ฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมแล้วก็ดื่มสุรานี่แหละย่อกายยกรรมไหวจีกรรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจอพูดยุยงให้แตกกันยุแยงกระแทงให้ร ụ, ั่วปากไม่เป็นสุอาปากหาความโตกโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาอันนี้แปลว่ า, าวาจา บรรการทำกรรมทําได้สามทางมโนกรรมคือคิดไม่ดีกายกรรมคือทําไม่ดีวจีกรรมคือพูดไม่ดีนั่นแหละเพราะนั้นขอให้พวกเราถ้าทําทําสิ่งที่มันไม่ดีกรรมที่ไม่ดีจะตามให้ผลจากตนเองนั่นแลหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงได้แนะนำํำกับสัตยาญาณโยมการสั่งสมบุญนําสุขมาให้เหมือนกับเราเปิด ตมเปิดฝาโอกฝนตกมาทีล ะ, ทละยัทีละหยาดทีละน้อยมันตกมาแล้วก็ตุ่ค่อยเต็มตื้นขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าเราความ่มเราไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์เราเหมือนกับควม่มปากโองลงใ้พื้นแผ่นอีกองเอาค้นมันขึ้นฝนตกมันก็ไม่เขาวะมีแต่ความแห้งอยู่ในตุมในโอกงนั่นเองนี่แหละอันนี้ก็คือ การท่งสมบุญพวกเราเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเลือกทานอย่างพวงพ่อได้พูดเหมือนกับเปลือกศีลเหมือนกับกับพีภาวนาคือแก่นหลวงพ่อบอกเรื่องคัททานเราก็ไม่ควรประมาทควรจะทำศีลก็ควรจะรักษาบ้างไม่บ้างหรมากพอสมควรรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรื่องสมาธิก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลาย วิธีการทำสมาธิทำอย่างไรหลวงพ่ออธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายนำไปปุ๊บประพฤติปฏิบัติให้ได้จากนั้นเรื่องผลแห่งการประพฤติปฏิบัติจิตใจเป็นคณิกาอุปจาระอัปปนาพวกเราก็คงจะพอรู้ได้ว่าจิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจออกจากร่างกายกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกัน นัตติสันติปรัรงสุ ข, ขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญใจดวงนั้นละ่ะกับร่างกายร่างกายเนี่ตายแต่คงถูกแผ่นดินแต่จิตใจคือนามธทําตัวรูนะ้ตัวนั้นแหละจะไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆาบุญกุศลจะเข้าไปอยู่ในจิตใจดวงนั้นเข้าไปอยู่กับโซเฟอร์นั้นถ้าว่าโซเฟอร์มีบุญเหมือนกับโซเฟอร์มีเงินไปนัดฐานที่ใดก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะโซเฟอร์มีเงิน จับใจใช้สรอยได้สบายแต่โซเฟอร์ไม่ได้ส ะ, ส ะ, สะแสวงหาบุญในเมื่อเป็นครวญเมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่พ่อตายไปเรื่องกับบาปอากุศลจะเข้าไปเป็นเพื่อนสองพาไปตกนรกหมกไหมไปพาไปเกิดเป็นสัตว์ที่ละชานกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้งั้ต้องใช้เวลานะขันตัญญาทูปเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่าให้เสียเที่ยวเสียทีนะให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ พวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางด้าน จ, จิตใจทั้งคดีโลกและคดีธรรมทั้งหลังทางโลกและทางธรรมให้สั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆนะแต่ชีวิตของพวกเราก็อย่างที่พวกเราท่า น, น, นทั้งหลายได้เห็นปู่ย่าตา ย, ยายวงสางขนาญาติของเราไปที่ไหนหมดเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดแต่เราก็เดินตามหลังท่านเหล่านั้นละ่ะแต่ถึงยังไงเราจะเดินด้วย พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราจะมีความสุข ก, กายสุขใจในคณะตถาญาติโยมการกล่าวสมโภชนีคถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับกาลเวลาด้วยอํานาจคุณพัชศีรัตนรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยอํานาจบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใส และกะบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อคูณสุเมโธ ท, ที่มาทาบุญในงานของในวัดของท่านในวันนี้ก็ขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังรังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิด เออหลวงพ่อคาไมอยู่ไหนนี่ยเว้ยนี่ปัจจัยถวายกันเทศหลวงพ่อเนี่ยหนึ่ง่นหนึ่งหนึ่งบาทนะหลวงพ่อมอบให้หลวงพ่อคาไมนะโจเฟอร์ไม่ต้องทับออกไปนะของไทยธรรมกรมกันไม่ต้องเอาไปมอบไปมอบให้ยานคาไมนะหลวงพ่อมาช่วยงานหลวงพ่อมาเทศนามาการนั่นแหละหลวงพ่อจะกลับวัดแล้วลูกหลานเลยแล้วนะพรนั้นลูกหลานนั่นเอนะ